อคีนมีพสูตไหมมีพสูตสันเล่ค่ะทําสันเล่โอ้โหยาวนะเนี่ยพสูตครึ่งพสูตครึ่งพสูตอ่า กาทำความขูดเกาเป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทำในธรรมทั้งหลายเหล่านี้กล่าวคือทำสันเลขวะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียนเราจกเป็นผู้ไม่เบียดเบียน ifer. ทำสันเลขวะว่าเมื่อผู้อื่นกระทำปานาติบาเราจะเว้นขาดจากปาณาติบา ท, ทำสันเลขวะว่าเมื่อผู้อื่นกระทำอธินาทาเราจะเว้นขาดจากอธิ น, นาทา ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นไม่ประพฤติพูมจันทร์เราจกเป็นผู้ประพฤติพู้มาจันทร์ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นพูดเท็จเราจะเป็นขาดจากการพูดเท็จทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นพูดสอดเสียเราจะเป็นเราจเป็นขาดจากการพูดสอดเสียทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นพูดคำหยาบเราจะเป็นขาดจากการพูดคำหยา คำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นพูดเพ้เจ้อเราจักเป็นขาดจากการพูดเพเจ้อคำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมากด้วยอภิชชาเราจักเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชชาคำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีจิตพยาบาทเราจักเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทคำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่น Hey. มีมิจฉาทิฏฐิเราจกเป็นผ <As> ู้มีสัมมาทิฏฐิทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสังกปะเราจกเป็นผู้มีสัมมาสังกปะทำสันเลขาก็เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาว่าจะเราจเป็นผู้มีสัมมาว่าจะทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่น มีม ita, ิจฉากรรมตะเราจักเป็นผู้มีสัมมากรรมตะคำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาอาชีวะเราจักเป็นผู้มีสัมมาอาชีวะคำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวยามะเราจักเป็นผู้มีสัมมาวยามะคำสันเลขา icha, ว่าเมื่อผู้อื่น มีมิจฉาสติเราจักเป็นผู้มีสัมมาสติทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสมาธิเราจักเป็นผู้มีสัมมาสมาธิทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาญานะเราจักเป็นผู้มีสัมมาญาณะทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีนิจฉาวิมุตติเราจักเป็นผู้มีสัมมาวิมุตติ ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีถีนะมิทะกลุ่มลมเราจะเป็นผู้ประจากถี่นามิทะศทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นฟงซ่านเราจะไม่เราจะเป็นผู้ไม่ฟงซ่านทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่น มีวิจิิจฉาเราจะเป็นผู้ข้ามพ้นวิจิิจฉาอาจารย์ช่วยอาิยบ่ายนะครับอฮะยาวเลยโหเยี่ยมเลยอ่าโอ้นี่เกืบหมดแล้วนั้นเนี่ย เล็กหน่อยก็หมดแล้วคีนสันเลขา ร, รมหมายถึงทำเครื่องขูดเกลาก็ต <c oughs> ้าสรุปก็คือเหมือนกับว่าถ้า <c oughs> ถ้าเห็นใครทำไม่ดีหรือทำอกุศลเนี่ยเราก็คือเราจะไม่ทำนะอย่างตั้งแต่ มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปามิจฉาวาจาใช่ไหมมิจฉากรรมันต ะ, นะมิจฉาชีวามร์แ8ทั้งหมดเนี่ยจะมีฝั่งมิจฉาฝั่งสัมมาเนะาะถ้าเห็นเขาทำในฝั่งที่ตรงข้ามในทางที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะไม่ทำเราจะเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐินะแล้วถ้าต่อไปอี คีนย่งไม่ได้ทรงจำก็คือเรื่องของน่ะฟุ้งซ่านน่ะผูกโกรธลบหลู่คุณท่านแข่งดีลิษยาใช่หมอ่าเริโออวดมีมารยากระด้างดูหมิ่นท่านว่ายากมีมิรชั่วน่ะประมาทน่ะเนี่ยพวกนี้มีสุตตะน้อยขี้เกียจอย่างนี้นะอ่า การทำอย่างนี้เราจะไม่ทำแต่เราจะทำตรงข้ามในสิ่งที่ดีเป็นคุศนอย่างนี้นะจ้าค่ะ uh huh. ตรงอภิชาเขาบอกิชาไม่มากด้วยอภิชาหมายถึงความโลภไม่ใช่หรอความโลภใช่ไม่มากเหมืนอนก็ยังเหลือได้นิดนึงใช่ไหมครับไม่มากก mm hmm. หห็หน่อยหนึ่งนหน่อยหนึ่งลบได้หน่อยหนึ่งก็คืออยากได้แต่อยาก โดยไม่เบียดเบียนนะ่ะใช่ไหมเราอยากมีเงินทองมีชื่อเสียงก็ได้แต่อย่าไปเบียดเบียนได้มาด้วยการขโมยการฆ่าการแย่งชิงอย่างเนี้ยนะทรงจำได้เยอะเยอะดีมีประโยชน์นะ การทรงจําเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนถ้ามีการทรงจำธรรมะได้เนี่ยจะเป็นเหตุให้เกิดการไข้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ตัวธรรมะจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เราจะเห็นชัดด้วยใจของเราว่าธรรมะเนี่ยเชื่อมโยงกันธรรมะตรงจริงตามนั้นเป็นเหตุให้เราเนี่ยรู้แจ้งสัจธรรมขึ้นมาได้พระศาสดาจึงสันเสริมการทรงจําว่า เป็นหนึ่งในการที่คนเราจะรู้ตามซึ่งศาสนาได้อย่างน้อยขอให้ทรงจำคำสศจดรรได้แม้เพียงหนึ่งบทนะ <c oughs> ะส่วนใครจำได้มากก็ชื่อว่าเป็นการสั่งสมอาวุธไว้มากเราจะมีอาวุธในการประหารกิเลสได้มากนะครับเรียนถามพระอาจารย์ครับคือจะมีอยู่สองส่วนนะครับพระาอาจารย์คือส่วนหนึ่งที่เรียวกว่าเป็นปฐมฌานนะครับ กับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการเจริญสติในแ ง, ขงน่ของกายานุปัสสนานะครับในส่วนของอการเจริญกายานุปัสสนานี่นะครับอาจารย์จะต้องไปให้ครบจนถึงเอกคัตตาหรือเปล่าครับคือที่ว่าเริ่มตั้งแต่ว่าการดูลมนะฮะหายใจเข้าหายใจออกอะไรต่างๆไปจนถึงปิติอสุปแล้วก็เอกคัตตาในแง่ของกายานุปัสสนานี่ต้องต้องไปสเต็ปตเต็มตรงนี้หรือเปล่าในขณะเดียวกันในแง่ของการปรรลุปฐมประชานหรือว่า จเจริญเกี่ยกับเรื่องปฐุมพชาญนั่นเนี่ยเห็นบอกว่าพระพุธทธเจ้าท่านบอกว่าแค่ละวิตกวิจารนี่นะครับก็ถือว่าเป็นปฐุมพชาญได้แล้วและก็จุติาายะช้างเข้าสู่จุติาายะช้างใช่ไหมครับี่ไม่ทราบว่าตัดกันตรงไหนครับอาจารย์ในแง่ของเ อ, เอาทีละเรื่องก่อนเอาเรื่องกายานุปัสสนานี้นะครับไม่ทราบว่าจะไปจบไปที่ตรงไหนครับอาจารย์คือจะต้องตายไปจนถึงเอกราคาตาเลยหรือเปล่าที่เจ้าก็บอกอยู่แล้วนี่ว่าแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรารู้เนี่ยก็ชื่อว่าเป็นกายานุปัสสนาแล้ว แค่นั้นเองหรือรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกก็ชื่อว่าเป็นกายยัตาสติแล้วท่านก็บอกตรงๆไม่ไม่ต้องไต่ไปจถึงปิติสุขเอกขตาท่านบอกแค่นคี้ก็เอาแค่นี้แค่นั้นนะครับได้ตรงนั้นก็ได้ใช่หมดคือฌานสีเนี่ยหนึ่งได้หนึ่งก็ใช่ได้สองก็ใช่สามก็ใช่สี่ก็ใช่ได้หมดทั้งหมดรวมเป็นกายยัตาสติทั้งหมดอ่า ค่ะคุณอยากจะถามว่าเวลาเอปฏิบัติธรรมก็มานานแล้วค่ะแล้วทีนี้ช่วงนี้เวลาปฏิบัติจะไม่ค่อยเข้าสมาธิแล้วก็จะเหมือนแบบเดินจงกลมหรือนั่งเหมือนตัวเองออกออกไปดูตัวเองอีกทีนึงค่ะอืเหมือนจะอยู่ข้างนอกค่ะเหมือนกับเดินยังไงก็ไม่เข้าสมาธิแล้วก็แบบเหมือนจิตออกไปดูตัวเองเห็นตัวเองเดินนะคะไราบว่าจะทํำยังไงต่อไป ก็สมาธิโยมคือยังไงอ่ะไม่เข้าหมายถึงอะไรละ่ะตามที่พระุทธเจ้าบอกหรือเปล่าค่ะใช้ใช้หนอนะคะแล้วก็สงบหนออะไรพระุทธเจ้าเคยสอนละหนอนสมาธิของโยมคืออะไรอ่ะก็ใช้เดินจงกรมย่างนอ้อยนอาการจิตยังไงอาการอาการที่<อ>ว่าไม่เข้าอ่ะก็ไม่ไม่ค่อยสงบเหมือนเดิมเมื่อก่อนจะสงบอยู่กับการก้าวย่าง สมาธิโยมคือสงบหรือไม่เห็นพูดรายละเอียดของความสงบคือสงบจากอะไรค่ะจากการดูลมค่ะไม่เกี่ยวเลยไม่เห็นตรงที่ผู้ชา่าบอกเลยเห็นไหมค่ะแสดงว่าโยมไม่เคยอ่านพุทธวจนะเคยอ่านบ้างไหมเนี่ยค่ะเพิ่งมาวันนี้วันแรกค่ะฟังดูก็รู้แล้วว่าไม่เคย อ, อ, อ่านคําพระศาสดาเลยคนถ้าอ่านคําพระศาสดาจะชัดเจนบอกไม่ได้สมาธิโยมต้องพู้ดิฉันยังคิดอกุศลอยู่เลย นั่นคือปฐมฌานยมคิดอากุศลไหมล่ะเวลาเดินโยมกลมนั่งสมาธิก็ดูละได้หมดเหมละ่ะอากุศลเนี่ยกามพยาบาทเบียดเบียนก็ดูร่างกายค่ะผู้เจ้าให้ดูในสิ่งที่ผู้เจ้าให้ดูอาตมาถามตรงนี้ยมยังไปตอบอย่างอื่นเลยใช่แสดงว่ายมไม่รู้ว่า ย, ยมควรจะดูอะไรขณะที่นั่งสมาธิ พระพ้าบอกขณะที่นั่งสมาธิจิตจะเป็นสมาธิเมื่อหนึ่งอกุศลมิตกดับอกุศลมีอะไรความคิดในทางกามทางพยาบาททางเบียดเบียนแสดงว่าโยมไม่เคยดูจิตตัวเองว่าขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยจิตเราเนี่ยปราศจากอากุศลมิตกสามอย่างนี้อไม่เห็นไหมแล้วยมบอกไม่ได้สมาธิแล้วยมจะพูดได้ไงไม่ได้สมาธิเอานิยามอะไรมาเป็นตัวกําหนดว่าได้หรือไม่ได้สมาธิพระพเจ้าไม่ได้บอกว่าฟุ้งไม่ฟุง้ง ใช่ไหมผู้เจ้าชี้ไปที่อกุศลดับไม้วิตกวิจารณ์ดับไม้ปิติดับไม้สุขดับไหม้อย่างเนี้ยงั้นโยมต้องมานั่งอ่านคําพระศัสดาซะก่อนไม่อย่งั้นโยมก็จะไปปรุงแต่งเอาเองว่าฉันไม่ได้สมาธิฉันได้ฉันไม่ได้แล้วเกณฑ์อะไรที่ว่าได้เกณฑ์อะไรที่ไม่ได้หลักเกณฑ์ที่โยมใช้วัดยังผิดเลยใช่ไหมมารวิธีที่ใช้ก็ผิดไม่ได้เป็นแบบที่ผู้เจ้าสอนอย่างเนี้ย มันผิดตั้งแต่เริ่มปฏิบัติแล้วอย่างนี้เพราะว่าหนูก็ไม่ไม่เคยเข้ามาที่เนี่ค่ะเพ่งเข้ามาครั้งแรก๋ยมก็เอาข้อมูลที่โยมเคยรู้เคยทราบมาพูดซึ่งมันไม่ใช่เลยใช่ไหมเราไปนั่งอ่านคาสอนพระศาสดาซะก่อนพู้เจ้าให้รู้เราหมายใจเข้าออกรู้ตามการเคลื่อนไหวเรียบบทไม่ได้มีคำพูดอะไรในใจอย่างนี้ ก็เลยอยากมาศึกษาค่ะมามาจากอุดรนะคะพอดีได้ได้ฟังมีคนเอาซีดีไปให้ก็เลยตามมาเลยค่ะอ่านอ่านที่อยู่แล้วก็ตามเวลาถามเนี่ยมรู้อะไรก็บอกไม่รู้อะไรก็บอกบอกแล้วก็จําตรงนั้นไว้แล้วก็เอาไปทําตามใช่ไหมอ่าแค่นั้นน่ะมันยังง่ายนะต้องการรู้อะไรก็ถามนะเสร็จแล้วก็บอกไปก็จำจำเอ้าไปนะอย่างนี้ อ่าฮะอืมหนึ่งสิบหกขั้นตอนเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้พูดนะอ่า nah. อ uh ่า huh. uh huh. ยมไปแบ่งเราเองสิบหกในพัตตวิโลก็แบ่งสามสิบสองก็มีผู้เจ้าแบ่งสี่กลุ่มตกลงจะแบ่งตามใครแบ่งตามเราแบ่งเองหรือยังไงใช่มก็มันก็เหมือนกันอันเดียวกันยมอยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ยหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้น ร, นรู้สั้นรู้พวกเนี้ย จบแท่แค่ทํากายสังขารให้ลำงับอยู่เนี่ยก็คือกายานุปัสนาสติปทานแล้วยอมบอกจะเอาสติปฐานมันก็อันเดียวกันแล้วมันจะแยกกันยังไงในส่วนนี้พระเจ้าบอกเนี่ยคือกายานุปัสนาสติปทานอย่างเงี้ยซึ่งธรรมอันเดียวอันเนี้ยก็เข้าถึงวิมุติได้แล้วใช่ไหมโห้อันนี้เคยบอกไปหลายครั้งมากเลยว่า ไม่ต้องนั่งไล่มาทั้งสี่อันก็ได้ทำอันเดียวเนี่ยผู้เจ้าก็ไล่ลําดับไปจนถึงวิมุตต์ทำเวทนาลูกปศนาอันเดียวผู้เจ้าก็ไล่ไปจนถึงวิมุตต์ทำจิตตานุปัสสนาอันเดียวผู้เจ้าก็ไล่ไปจนถึงวิมุตต์ก็มันชัดเจนอยู่แล้วเรื่องนี้ถอย้ำอยู่ตลอดเวลาเพา่ออาตามาเคยเห็นพระสอนผิดว่าต้องทำสี่อันนี้เท่านั้นนะอ่าซึ่งผู้เจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะสอนอัน อันเดียวย่อมจะทำไล่สีอันก็ได้นะเพราะแต่ละอันก็คือถึงวิมุตได้หมดหรือจะทำอันเดียวก็ได้ไล่ลำดับไปจนถึงวิมุตอย่างนี้อื ม, อม มิ้นหม่มันไม่ออกอะคอยดูด้วยสิเวลาเขาพูดทำไมไม่ออกอัเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะไรกันมันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงครับแต่พอจะพี่นาต่อว่า มันไม่ใช่ตัวเราของเรานี่มันยากครับก็เลยลองไปเสิร์ชในพตัตเตย์บิดดกดูคําว่าป่วยครับก็มีออกมาหลายพระสูตรครับก็ไปเจอพรสูตรหนึ่งคื อ, อเป็นชายค่อนข้างชลาภาพครับแล้วก็ไปไปพบกับพุทธเจ้าครับก็มีคําพูดหนึ่งที่จําได้คือเมื่อกายกระสับกระส่ายแต่จิตไม่กระสับกระส่ายครับแล้วก็พอลงเลึกไปีทีหนึ่งคือก็มาลงเรื่องว่า คนที่กายกระสับกระสายแล้วที่กระสับกระสายคือจะเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราครับคนที่จิตไม่กระสับกระสายคือจะพิจารณาว่าขันห้าเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเรา sí. แต่ว่าพอมาพิจารณาของตัวเองดูครับคือพอร่างกายมันป่วยมันก็เป็นเป็นทุกข์ไม่เที่ยงนี่พอจะเห็นนะครับแต่ว่าพอพิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราน Line ี่มันยากมากครับอืก็คืออยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่า มันมันมีกุศโลบายหรือว่ามีวิธีไหนไหมที่เราจะเห็นได้ว่าคือผมพี่นาดูคือพอผมป่วยครับมันเหมือนกับจิตใจมันก็จะไปตามร่างกายครับพอร่างกายดีขึ้นจิตใจมันก็จะดีขึ้นแสงว่างี้คือเรายังพิจารณาไม่ถูกใช่ไหมครับทำย้ําที่เดิมอะ่ะมันไม่ไม่มีวิธีอื่นจิตปรุงมาเนะี่ยโยมอย่าเชื่อการปรุงของจิตเวลาโยมประเสริฐประสายเนี่ยจิตมันจะพันั้นน่ะหน้าที่โยมคือต้อง ตัดการปรุงแต่งออกนะยมหยุดการปรุงแต่งได้ไหมละ่ะแล้วก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกมันจะปรุงแต่งไงก็ตามรีบละรีบทิ้งไปอยา่าเล่นกับการปรุงแต่งอย่างเงี้ยนะมันก็จะน้อยที่สุดแล้วให้เห็นการปรุงแต่งเนี่ยเกิดดับเกิดดั บ, ยดดบอยู่ตลนะอดเวลาต้องทําซ้าซําๆอย่างนี้วิธีทำคือต้องทำซ้ำๆใช่ไหมทําซ้าําๆนะไม่มีวิธีอื่นแล้วยมไปบนดูสิจะพิณากายานุปัสนาพิจณาสุภาพทาอะไร ทำทีเดียวแต่ละอันเนี่ยสำเร็จมาไม่สําเร็จต้อง ท, ทําซ้ําท้งนั้นน่ะอสุภะก็ต้องพิจารณาซ้ำกี่รอบเป็นร้อยเป็นพันรอบนั่นแหละพอ อ, อยา่างไม่สบายก<ม>็<ม>พิจารณาว่ามันไม่ให้ตัวเราของเราพอลองพิจารณาว่าเดี๋ยวร่างกายนี้มันอาจจะต้องตายไงผมคนนี้จิตวูบไปเลยครรู้สึกว่าเป็นทุกข์มากอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเราก็ก็เหมือนกับที่ในพระสูตรที่ว่าพอเห็นทุกขังอ น, นิจจังแล้วก็อ น, นัตตาจะตามมา ก็คืต้องวนอยู่แค่สามอย่างวนอยู่แค่นี้แหละมันไม่มีเครื่องมืออื่นแล้ะนะวนทําอยู่ในเครื่องมือที่พระเจ้าให้อย่างเนี้ทําซ้ำไปเรื่อยๆพอหลายๆปีปุ๊บเนี่ยโยมจะเริ่มเห็นนะว่าเออมันใช้ได้น่ะแรกๆเนี่ยมันจะไม่เห็นหรอกนะมันเหมือนกับมันเครื่องมือเนี่ยมันใช้ไม่ได้แต่จริงๆมันใช้ได้เโยมค่อยเห็นการเกิดการดับของความโกรธความพอใจเนี่ยเอะแล้วมันจะได้อะไรเห็นเกิดดับ ทำไปนานๆาๆนานานานปั๊บเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์นั้นมาไรค่าว่ามันไม่มีค่าอะไรมันก็เกิดแล้วก็ดับเท่านั้นมันไม่เห็นจะมีอะไรเนี่ยอาการนี้มันจะเกิดขึ้นนะความเป็นอนัตตาเนี่ยมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นมาเรื่อยๆนะมันก็ต้องทำซ้ำๆกลับมาเจริญมรรคแปดเหมือนเดิมเดินมรรคเหมือนเดิมทาเหมือนเดิมอยู่กับลมหายใจให้มากเห็นเกิดดับให้มากเหมือนเดิม อย่างเงี้ยแล้วก็มีในพระสูตรหนึ่งครับคือผู้ที่ผมไม่แน่ใจว่าตา ม, มาถูกไหมครับ mm hmm. ก็คือผู้ที่กระทาความเพียรมากจะมีปัจจัยหนึ่งคือต้องเป็นผู้มีอาพาธน้อยครับนั่นคื อ, อคำ ว, ว่าถ้าเกิดเรามีป่วยหนักหรือว่าไม่สบายนี่คือจะทําความเพียรได้ไม่มากใช่ไหมไม่ใช่ตรงเนี้ยหมายถึงการเกื้อกูลนะตรงนั้นคือมันมันแปลไม่ชัดเจนพระสูตรเนี่ยในหนังสือเนี่ยแปลไม่ ไม่ทําให้เกิดความเข้าใจนะเพราะจริงๆคนป่วยเนี่ยเหมาะสมแล้วนะควรที่ทําความเพียรไม่ใช่ป่วยแล้วไม่ยอมทําความเพียรต้องพูดว่ามันไม่เกือ้อกูลนะขณะ ท, ที่ป่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นขณะ ท, ที่ไม่ป่วยเนี่ยคือมันเกือ้อกูลแล้วนั่นคือไม่ขณะไม่ป่วยต้องรีบทําความเพียรให้มาเพราะเวลาป่วยมันจะทําลําบากขึ้นนะถ้าเรายังปล่อยวางไม่ได้มันจะเริ่มท้อแท้มันจะอะไรต่ออะไรแต่ป่วยเนี่ยต้องทํำไหมต้องท ำ, งทำนะ บ้านท่องพระสูุได้บ้างหรื อ, อยังยังเลยแหละต้องห ล, อหละหลังต้องท่องพะสดะสั้นๆก็ได้บรรทัดหนึ่ง <laughs> ทิ้งไว้เลยนะไม่ไม่ต้องปิดนะโหนถ้า<ง>ผมอยากจะถามอาจารย์ว่าอพระโพธิสัตว์เป็นเกี่ยวข้องอะไรกับพระอริยนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยพระโพธิสัตว์ยังเป็นปุถิชนเพียงแต่พโพธิสัตว์หมายถึงผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งสําเร็จไม่สําเร็จก็ต้องว่ากันอีกทีนะยังอ น, นิจจัง แล้วที่บอกว่าพิจารณากายในกายกับพิจารณากายเหมือนกันั้มเหมือนกันนะพิณากายการพิรณากายก็จะมีเช่นพิณากายในภายนอกพิณากายในภายในนะเห็นคนตายเห็นสัตว์ตายโยมก็ต้องน้อมมาว่ากายเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันก็คือกลับมาพิจาณากายตัวเองไงนะอืม าพระอาจารย์เวลาที่พิพจารณาเห็นเป็นอสุภะแล้วเกิดปิติอะค่ะจะจัดการตรงนั้นยังไงต่อคะจะดําเนินให้จิตะจะพิจารณาซ้ําก็ได้หรือจะหยุดพิจาณาเพื่อเสดปิติแล้วก็ปล่อยให้จิตมีความสุขแล้วมันก็จะตั้งมั่นสักพักหนึ่งนะแล้วเราก็หยุดพิจารณาอยู่กับความนิ่งความสงบความาว่างๆนะ อย่างนั้นพอจิตมันจะเริ่มเคลื่อนไปต่อไปฟุ้งแล้วก็หยิบมาพิณาอาสุภะต่อนะอย่างนี้พวก อ, อสุภะก็ทำอย่างเนี้ยพิณ า, าสุภะจนได้ปิติได้สุขขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็จะสงบนิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วก็ปล่อยจิตไปพิณาต่อทาซ้ำซ้าเรื่อยๆต่อไปเวลาเราประสบพบอารมณ์ใดเนี่ยเราก็ใช้อสุภะเนี่ยไปพิณานะ เราก็จะแก้ลมนั้นได้เร็วขึ้นเช่นมาถ้าเราโกรธมาจากความไม่พอใจที่คนเข้ามาว่าเราเราก็พิณาว่ากายเราก็เป็นซากศพเขาก็เป็นซากศพแรกๆ ก, ก็จะพิณานานแต่พอยมทำชำนาญขึ้นแค่พอจะน้อมมาพิณาปุ๊บความโกรธมันหายไปเลยอย่างนี้มันก็เรียกว่าได้ผลเร็วขึ้นแต่เร็วกว่านั้นก็มีด้วยการที่ หิบอารมณ์นั้นมาดูมาพิจารณาแล้วก็วางเลยก็จะเร็วขึ้นอีกพระอาจารย์ครับอย่างกรณีที่ว่าอยู่อารมณ์หายใจนี่นะครับก็ยังถือว่ามีพบอยู่ถูกไหมครับยังเกิดพบอยู่ใช่ใช่ไหมครับทีนี้พอพอไปจนถึงจุดที่ว่ากายะระงับกายะสังขารนะครับหรือว่าระงับจิตตัดสังขารไอ้ตรงนั้นนี่ก็จะไม่เกิดพบแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าในความหมาย ถ้ามันยังตั้งอยู่ซึ่งขัน5้ขันได้ขันหนึ่งมันก็มีภพหมดนยโคือให้เหลือภพน้อยที่สุดภพที่พู้เจ้าให้ตั้งอาศัยเนี่ยคือเอารูปกายไปก่อนพู้เจ้าจึงบอกสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนะ คือเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสัญญาเห็นสังขารหรือวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นนามธรรมสามตัวเนี้ยเกิดดับเห็นนะคือเอาวิญญาณมาเกาะกับรูปแล้วเห็นนามมาทำสามตัวนี้เกิดดับอยู่ตลอดนี่แหละเ <c oughs> <c oughs> นี่ยสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ <c oughs> <c oughs> เห็นนะ <c oughs> จะเห็นว่าว่า เรื่องอธิบายสมาธิก็ตามหรือหลายๆลพระสูตรเนี่ยจะสอดรับกันว่าพระพุทธเจ้าจะพยายามให้เราจิตเนี่ยมาตั้งอยู่กับกายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นพบพบหนึ่งนะแต่พบจะเหลือน้อยลงละให้ทิ้งพบที่เป็นนามธรรมเพราะเวลาโยมตายไปแล้วเราจะสร้างอัตภาพใหม่เนี่ยจิตมันจะไปเกาะ น, นามธรรมไปสร้างนามธรรมก่อนใช่ไหมพอใจในนามธรรมตรงไหนแล้วก็จะสร้างเป็นอัตภาพออกมาอีกทีหนึง่ง ดนั้นถ้าเราทิ้งการเกิดในนามธรรมได้เนี่ยพอรูปกายเราแตกคำลายปุ๊บ ก, ก็คือวิญญาณมันจะหลุดพ้นเพราะไม่สามารถสร้างนามธรรมใหม่ขึ้นมาได้เราจะมีความชำนาญในการในการละนามธรรมต่างๆคิดมาปั๊บเราก็วางวางวาง ความเจ็บปวดเนี่ยมันก็ยังมียังมีอยู่ในส่วนของกายซึ่งพระเจ้าบอกว่าอริยบุคคลกับปุถุชนเนี่ยก็จะมีเจ็บกายเท่ากันนะแต่อริยบุคคลเนี่ยจะไม่เจ็บมาที่จิตนะจิตจะปล่อยวางได้แต่กายเนี่ยเจ็บเหมือนกัน <c oughs> ขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่โดนพระเทวทัตกลิ้งหินลงมาใส่จนห่อเลือดเนี่ยพระเจ้าก็ยังบอกเทวทัตว่ากายของเราลําบากนัก นะอย่างนี้ท่านรู้ว่ากายของท่านลำบากนะแต่ท่านไม่มีทุกเวทนาทางจิตแค่นั้นเองนะ <c oughs> ตอนนี้คนที่จะปล่อยถ้าต้องการจะปล่อยทุกเวทนาทางกายอีกวิธีหนึ่งก็คือเข้าสมาธิ เข้าสมาธิในระดับอรูปเนี่ยก็จะไม่มารับรู้ในส่วนของกายแต่ก็จะทำให้กายไม่ได้รับการการแก้ไขอย่างถูกต้องต่อไปก็นะต้องกลับมารับความรู้สึกทุกเวทนาทางกายนะอย่างหมอถามเป็นยังไงคนไข้ไม่ตอบอะไรเลยหมอก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะ ก็ต้อ ง, งรับรู้ว่าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ลายหมอก็จะได้วินิจฉัยผู้เจ้าจึงบอกคุณสมบัติของภิกษุข่ายอย่างหนึ่งก็คือบอกอาการโรคตามที่เป็นจริงนั่นคือตัวเองต้องเอาจิตมาอยู่กับกายแล้วก็รู้ว่าเจ็บตรงนี้ปวดตรงนี้นะบอกหมอเข้าไปเขาจะได้รู้น ะ, ะให้จิตเนี่ยรับรู้ความรู้สึกของกาย อ่า uh huh. แต่โยมแต่โยมอยากจะถามตรงส่วนที่เพราะเวลาเหลือน้อยโยมจะถามที่ uh huh. ผู้เจ้าบอกว่าฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธินะคะ oh. แล้วก็ฉลาดในการเข้าสมาธิ uh huh. แล้วก็ฉลาดในการออกจากสมาธิ uh huh. จะมีสามเวิร์ดยิ่งใหญ่ๆตรงนี้ก่อน uh huh. ก่อนที่จะไปซอยลงไปในรายละเอยียด uh huh. ค่ะ ตรงฉลาดในการออกจากสมาธิยังคยมไม่เข้าใจอะค่ะพระอาจารย์ว่าเห็นเกิดดับให้ฉลาดในการหลอกยังรู้การจะเข้าจะออกสมาธิเนี่ยวิญญาณมันจะมีการเกิดการดับเห็นการเกิดดับตรงนี้หรือเปล่าแค่นั้นเวลาเราออกจากสมาธิก็ออกเลยโดยที่ไม่ได้รู้ว่าขณะนั้นนะวิญญาณมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงแล้วมันผ่านวิมุติแปบ๊บไแป๊บหนึ่งแล้วเหมือนการเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์มหนึ่งแค่นั้ น, นเหมือนกันเลย งั้นคำว่าฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิฉลาดนะะในการดำรงอยู่ของสมาธิก็คือขณะที่จิตตั้งมั่นหรือสมาธิดำรงอยู่เนี่ยก็ให้เห็นการเกิดการดับของกันนั้งห้าต่อไปเพราะสมาธิจะนิ่งระดับใดก็ตามเนี่ยในสมาธินั้นน่ยังมีการเคลื่อนไหวของจิตอยู่มันก็มาลงที่เห็นเกิดดับถูกต้องใช่มาลงที่เห็นเกิดดับ จะเป็นการเห็นเกิดดับของขันท่าในสมาธิหรือเป็นการเห็นสมาธินะ่ะเกิดดับอาจารย์เห็นการเกิดดับของขันท่าในสมาธิ อ, อันนี้เป็นฉลาดในการตั้งมั่นหรือเป็นฉลาดในการออกจากสมาธิคะดำรงอยู่นะดำรงอยู่แลวอีกคำานึงอาจารย์ว่าฉลาดใ น, า<อ>ในการเห็นการเกิดดับธรรมดาอันนี้นี่มันมันมีความหมายต่างกันอย่างไรฉลาดในการเข้าฉลาดในการออกมันมีสามอันใช่ไห ขณะที่เข้าสมาธิเนี่ยจิตอันหนึ่งจะดับอันหนึ่งจะเกิดเวลาสมาธิ <c oughs> เปลี่ยนขั้นต่างต่างเนี่ยจิตดวงที่เป็นปกติจะดับจิตที่เป็นสมาธิ จ, จะเกิดจะเปลี่ยนสัญญาพุทธเจ้าบอกสัญญามันจะเปลี่ยนนะจิตจะเข้าไปสู่สัจจะสัญญาอันละเอียดขึ้นไปเรื่อยเอย่างนี้นั่นจิตก็มีการเกิดดับนะเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตขณะออกก็เหมือนกันจิตจะต้องมีการเกิดดับ คือยงยงค่อยใจอยู่ว่าตรงเข้าโยมสามารถเข้าได้แล้วอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าต้องทิ้งอารมณ์นี้แล้วไปจับอารมณ์ใหม่อย่างเช่นทิ้งวิตกวิจารณ์ถึงจะขึ้นชั้นสองได้เกิดดับแล้วจิตเกิดดับและแต่ทีนี้ตรงออกอะคะอ่ะโยงเหมือนกับว่าออกก็ออกเฉยๆเลยแต่ก็ไม่ได้ไปทันเห็นเกิดดับนะคะคือออกคือออกเลยอะค่ะยงรู้สึกว่ายังไม่ฉลาดพอตามที่พระเจ้าทั้งสอนแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าจะฉลาดยังไงต่อค่ะเจอต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงต้องเห็นวิญญาณดวง เก่ที่ตั้งมั่นตรงนั้นน่าดับแล้วก็เกิดแล้วการ<ม>ดับออกจากสมาธิแสดงว่าถืาอว่าเราเคยขึ้นอยู่ที่ชั้นสูงสูงอยู่มันจะดับพลืดลงมาถึงอ ม, มันมันจะดับแบบพาสชั้นเลยพ่หรือว่ามันจะดับเป็นชั้นช้นที่เราจะต้องไปตามเห็นว่ามันต้องดับเป็นชั้นชั้นอีกอะค่ะจริงๆมันก็ไหลเลื่อนมาเป็นชั้นอะแต่มันเร็วมากจนเรามองไม่ทันแค่นั้นเองมาปุ๊บอะมาอยู่ภาวะปกติเลยดูไม่ทันนะอื ออื uh huh. uh huh. เรื่องของการเจ็บป่วยไม่ uh huh. สบายตรงนี้มันเร็วมากเนี่ยดูไม่ทันหรอกต้องต้องค่อยๆดูรู้แค่ว่ามันเปลี่ยนแค่นั้นนะแต่จะเห็นมันดับมันเกนะิดเนี่ยโอ้โหยาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วมาที่วัดแล้วพระอาจารย์เทศเรื่องประสูนทีว่าพระพุทธเจ้าทรงจามครับก็มีพระภิกษุกล่าวขึ้นว่าขอให้ทรงมีพระชนมัยยืนครับแล้วพระเจ้าปรับอาบัติครับ คราวนี้ผมไปนึกถึงพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งครับที่พระเจ้าสุโทธทนะที่เป็นพระราชบิดาอืมไม่สบายแล้วก็พระพุทธเจ้าพระลาหุนแล้วก็พระอันนีิลุที่ไปรูปที่ศีรษะแขนขาแล้วพระสุโทธทนะมีการหายหรือว่าดีขึ้นครับนี่มันมีข้อขัดหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรใครใครไปนะใครใครไปตอนหลังที่พระสุโทธทนะ ป่วยหนักครับก<ว>่นะอนที่จะเสียชีวิตอรัอ แ, ลแล้วพระพุทธเจ้าไปปล่ยกับพระราหุหลพระองค์แล้วก็รูปที่ศีรษะพระราหุลรูปที่แขนผมไม่แน่ใจครับแล้วก็อพอหลังจากที่ให้พรหรือว่าทําอย่างนั้นแล้วพระสุโธทนะ<อ>ก็หายจากอาภาษณ์ครับอฮคือคราวนี้คือที่พระพุทธเจ้าว่าการที่เราจะเจ็บป่วยอายุยืนหรือไม่สบายมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Uh huh. การวรยพรหรือว่าอ uh huh. การพูดจากผู้อื่นครับคืออยากจะทราบว่าความแตกต่างว่าการพูดต้องถา ม, มว่าพูดอะไรสมมติว่าพระคิริมณ น, นเนี่ยป่วยแล้วพระนนเอาคําพูดของผู้เจ้าไปคําพูดของผู้เจ้าคืออนุสาสนีปฏิหารคือสัญญาสิบประการพูดแล้วคนนั้นเนี่ยเข้าใจถึงความไม่เที่ยงนของร่างกายอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไล่ไปเรื่อยๆแต่ภิกษุ ที่พูดอย่างนั้นนะพูดขอให้พระเจ้าอายุยืนถามว่าคําพูดเหล่านั้นมีประโยชน์อะไรต่อการนํามาใข้ควรพิจารณาไม่มีประโยชน์นะคำพูดลักษณะ น, นั้นนะมันไม่ได้เกิดประโยชน์ในการให้อายุยืนหรืออายุสัน้นแต่คําพูดที่เป็นอนุสาสนีปเทหานมันมีประโยชน์นะมันต่างกันคือมันจะคล้ายๆกับพระสูตรที่องค์ปรีมานครับที่เหมือนกับว่าเป็นสัจจะพิฐานว่ากับผู้หญิงที่คลอดลูกครับอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นตวัชนาหรือา พระองค์ุลีมานก็คือ <Ừ. S 1> อผู้สาัจจาะขึ้นมาว่าตั้งแต่พบกับพุทธศ า, าสนาก็ไม่ไม่ทำปานาติบาตอีกเลยถ้าคําพูดนี้เป็นสาจจะจริงต่อให้ผู้หญิงคนนี้อท <Ừ. S 1> ้อนรูปอย่างปลอภัยเลยไหมครับ <Ừ. S 1> อันนี่คือมันมันคล้ายกันหรือว่ามันขัดแย้งคับไม่มีไม่มีไม่มนะอต้องไปหาพระสูตรนี้มาก่อนนะแล้วองคุลีมานพูดไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูด นะเราเอาคําพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่พูดไม่ใช่เอาคําองค์ุลิมานหรือเอาคําใครนะต้องพระพุทธเจ้าตรัสนะหรือคํานั้นพระเจ้ารับรองว่าอันนั้นเนี่ยเราตถาคตก็เห็นเช่นนั้นเหมือนกันอย่างนี้ก็คือการกล่าวอวยพรนี่อาจจะมีผลไม่มีผลใช่ไหมก่าวอวยพรต้องกล่าวอวยพรแบบไหนอ่ะก่าวอวยพรเป็นธรรมะนะ อย่างคํำอนุทนาของพระาจเนี่ยนะอนุทนาเนี่ยยมไปดูเนื้อหาสิเป็นการบอกรายละเอียดของกรรมเนี่ยว่ากรรมอันนี้จะทําอย่างนี้ได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะไม่ได้ไม่ได้ทําให้ใครไปเป็นอะไรได้ขึ้นมาแต่คําพูดที่ประกอบด้วยปฏิหารคือคําพูดคําสอนของพระศาสดาที่คนฟังเข้าใจเอาไปไข้ควรพิจารณาเนื้อความนั้นได้แต่โยมบอกว่าให้ อ่าขอให้ตมาอายุยืนนะแล้วยังไงลูกศิษย์ผู้เจ้าบอกอะขอผู้เจ้าจงอายุยืนแล้วยังไงอ่<ม>ผู้เจ้าเลยบอกเราจะอายุยืนเราจะเป็นจะตายเพราะการพูดของเธอแหละเนี่ยใช่มอืมมันไม่ใช่ไม่ใช่คําประกอบด้วยปริหารนอกจากอ่ะลูกศิษย์จะบอกอะผู้เจ้าพิจารณกายซะนะแล้วลูกศิษย์จะมาสอนผู้เจ้าไหมมีแต่ผู้เจ้าจะสอนใช่ไหมอย่างเนี้ยอืมนั้นถ้าลูกศิษย์เป็นอะไรคือผู้เจ้าก็จะสอนทำ ม, มา ใช่ไหมคำพูดอันนี้ที่พระเจ้าสอนอนั่นะมันเป็นคําที่เขาเอาไปไข้ควรพิจารณาแล้วเนี่ยเขาจะหายจากอาพาธได้ตามควรแก่ฐานะหายเพราะเขาเข้าใจธรรมะบรรลุธรรมขึ้นมานก็เกิดการปล่อยวางอย่างนี้นะนี่คือหายเพราะคําพูดนะพระเจ้าจึงบอกเธอเป็นบุตรอันเกิดจากปากของพระองค์เกิดจากปากของพระเจ้าที่พูดคําพูดออกมาคําพูดนั่นแหละทําให้คนหายแต่ต้องเป็นคําพูดที่เป็นธรรมะไง ใช่ไหมไม่ใช่คําพูดทั่วไปที่ไม่ใช่สัมมาวาจาไม่ใช่กระถาวัตถุใช่ไหมคําพูดมันก็มีหลายแบบคําพูดไม่ใช่ว่าทุกคนพูดมาแล้วไอ้คนฟังนี่มันจะบรรลุธรรมได้หมดนะถ้าพูดในเรื่องรูปเสียงกินรดความบันเทิงในรูปเสียงกินรสมันจะไปบรรลุธรรมได้ไงมันก็จะมีแต่ติดยึดเข้าไปอย่างนี้นกับในประสวดที่พระเจ้าไปตรัสสอนพิสูจก่อนมรณาภาพแล้วก็พระนรมาบอกว่าหลัง กอนที่จะมรนภาพแล้วฉวีวันของใสใช่ใช่นั้นบรรลุธรรมบรรลุธรรมใช่เพราะว่าคําพูดพี่เจ้าเป็นปฏิหารเข้าไข้ควรได้ถึงแม้จะมีความเจ็บปวดก็ตามอย่างนี้พระอาจารย์ครับขออีกสักคําถามนะครับพระอาจารย์คือในแง่ของที่พระอาจารย์บอกว่าให้พยายามเอาวิญญาณมาเกาะอยู่กับกายนะครับทีนี้เวลาเราเจริญสติผมจะใช้แบบ สี่สถานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกายาเวทนาหรือจิตคือมันมันก็มันก็ยังติดอยู่ที่ว่าไม่ทราบว่าปฏิบัติผิดหรือถูกนะครับก็พีาแนวเวทนาอยู่นั่นแหละคือคือลมอ่ะอยู่อยู่กับกายใช่นะครับเสร็จแล้วมันก็เดี๋ยวก็เราก็ดูเวทนาไม่ใช่ดูนะครับมันก็ปรากฏอะไรให้เห็นเราก็เห็นจิตเดี๋ยวแล้วก็อ่ะมีทีนัทมิทะไหมมีวิจิกิจฉาไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสนะครับเรียนถามโอกาสที่วิญญาณจะเกาะอยู่กับกายอย่างเดียวตลอดเวลาเนี่ย มันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเปล่ากรัอบอาจารย์เพราะว่าในเวลาจเจริญสติสติประฐานสี่เนี่ยมันก็วิ่งไปครบเลยก็มันวิ่งทั้งนั้นน่ะแต่ท่าพุทธเจ้าบอกว่าอย่าลืมกายเรารู้ตัวเมื่ อ, อไหร่เรากลับมาที่กายแต่มันจะวิ่งไปหมดมันจะเที่ยวไปทั้งสี่ขันนั่นแหละนะแต่ให้เราพยายามที่จะไม่ลืมกายกายยกตาสติอัญชนเราใดหลงลืมนะอมาตะชื่อว่าโชลานั้นหลงลืม เรากําลังจะฝึกให้เราเนี่ยมีความรู้ตัวขณะที่วิญญาณดับพอวิญญาณดับปั๊บต้องรู้ตัวดับปั๊บต้องรู้ตัวอย่างนี้ใครเป็นคนรู้ตัววิมุตต์จะเป็นคนรู้ตัวใช่ไหมพอเรารู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าเนี่ยเราเนี่ยได้เข้าใกล้วิมุตต์มาเรื่อยๆนหนึ่งเพราะว่าในในขณะปฏิบัติเนี่ยจะพยายามไม่ใช่จะพยายามก็จะเห็นพ่อชงนะครับตัวที่สองตัวที่สามหตัวที่สอง ธรรมะวิจยะก็เลือกเฟ้นธรรมมาอ่านี่เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะก็ก็เราว่าเอ๊ะมันไม่ได้เราไม่ได้อยู่กับกายกายกายคตาสติแล้วนะเราไปไม่ทราบเป็นลักษณะฟุ้งหรือผิดหรือเปล่ากับพระอาจารย์ปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้ผิดมันค้าเข้ากันอย่างนี้นตามมามใช่ไหมครับนั้นการคิดไม่ได้ผิดทั้งหมดไงการคิดในธรรมะมันก็ถูกระดับหนึ่งแต่ถ้ามันอยู่ที่ขั้นตอนน่ะขั้นตอนของว่าถ้าเกิด โยมอยู่ในขั้นตอนของการที่จะปล่อยวางส่วนหยาบไม่ได้ปล่อยวางความคิดโยมก็ยังเห็นความคิดสําคัญถ้าโยมอยู่ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อจะปล่อยวางความคิดโยมจะใช้ความคิดไหมโยมก็จะไม่คิดแล้วโยมจะไม่สงสัยว่าผมคิดแล้วผมจะผิดไหมเพราะเราต้องการปล่อยวางความคิดเราจะต้องหยุดคิดเราต้องการหยุดคิดเราเห็นโทษของความคิดแล้วและเราต้องการปล่อยวางความคิดใช่ไหมนั้นมันอยู่ที่ใครใครอยู่ในขั้นตอนจะปล่อยเรื่องอะไร แต่ถ้าอยู่ในขั้นตอนที่หยิบมรรคธีเพื่อปล่อยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังเอ๊ะอันนี้ต้องคิดดีมไหมหรือไม่ต้องคิดเลยอย่างเงี้ยนะเพราะมันแบบว่าตีคลุมเพื่อปล่อยหมดเลยเหมือนคนใช้มรรคธีละเอียดตั้งแต่แรกมันก็คือตีคลุมเวียงแห я, นะนะทีเดียวเลยค่าทุกตัวพร้อมกันบางคนค่าทีละตัวค่ากายก่อนจัดการเรื่องกายก่อนถอนอุปทานให้ได้ก่อนก็จะใช้การคิด การคิดคิดคิดคิ ด, คดนะอ่าเขาก็จะไม่สนใจที่จะมาตัดความคิดแต่เขาจะใช้การคิดเนี่ยเพื่อพิจารณาปล่อยวางกายนะนี่ถ้าเขาใช้มรรคธีเรื่องของการคิดและเ้ามุ่งเน้นในเรื่องการปล่อยวางด้านรูปอย่างเดียวแต่ถ้าใช้อ่ามุ่งเน้นเพื่อการปล่อยวางทุกตัวไปไปพร้อมๆกันนะมันก็ต้องใช้ทุกรูปแบบนะคิดด้วยพอคิดด้วยเอ๊อ้าว ไอคิดก็ผิดนีิว่าอาต้องปล่อยวางความคิดอีกอย่างเงี้ยมันก็จะจะยุ่งเหมือนกันอ่ะฟุ่นตลบอ่ะนะบางทีมันก็เลยต้องปล่อยวางทีละอันหรือจับทีละประเด็นนะนั้นถ้าโยมจะจับประเด็นเห็นเกิดดับก็จับเกิดดับให้ได้เกิดดับกับอะไรบ้างกลรูกรเวทนาสัญญาสังขารจับประเด็นนี้ประเด็นเดียวไม่งั้นมันจะสับสนเส้นทางมันหลายเส้นทางโยมก็เดินเส้นทางที่จะไปที่หมายถูกละ แต่ไปกังวลเอ๊ะผมต้องย้อนไปเดินเส้นนั้นไหมผมต้องเดินย้อนไปเดินเส้นนี้ไหมไม่ต้องบอกเส้นนี้แหละอะถึงอย่างเนี้พระอาจารย์คะวันนี้พระอาจารย์มีกิ่นิมนต์ไปข้างนอกเหรอคะไม่มีมั้งไม่มีอะไรเลได้เวลาอาจารย์ฉันเดี๋ยวนั้นเดียวโยมขออนุญาตขอถามต่อรอบสองนะคะอมีใครเพิ่มอะไรไหมอ่าฮะอ อ่าฮนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งพระอาจารย์บอกว่าดูเกิดดับในสมาธิค่ะคระอาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้นิดนึงได้ไหมฮะดูเกิดดับสมมุติว่าเราติดนะฮะเราติดสุขหรือสุขขาปฏิปทานั่งแล้วเราก็จะชอบนิ่งๆอะค่ะตรงเนี้ยค่ะอันนี้พอดูเกิดดับของสมาธิเหมือนกับดูเกิดดับในอุเบกขาไหมฮะดูเกิดดับก็ คือคือตัวสมาธิมันก็มีการเกิดการดับและขณะในขณะที่สมาธิดำลงอยู่เนี่ยมันก็ยังมีการเกิดดับของขันห้าอยู่นะแต่ตัวสมาธินั้นยังดำลงอยู่ยังตั้งมั่นอยู่ขณะตั้งมั่นอยู่เนี่ยยังไม่จางคลายไปมันก็จะมีการการเกิดดับในนั้นเนี่ยเล็กๆน้อยๆอยู่นะเป็นยังไงจ้าตรงเนี้ยคะ่ะเออ สมาธิโยมยังอยู่แต่มันยังมีการขยับนิดนึงแต่โยมยังไม่เสียสมาธินะแต่จิตก็ยังมีการเคลื่อนนิดๆนิดนิดขยับอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นการเกิดดับในการดำรงอยู่ของสมาธิแต่ถ้าเข้าออกก็คือโยมออกมาเลยสมาธิโยมลมละนะหรือเข้าก็คือสมาธิโยมเกิดผับมีการเกิดขึ้นสมุทัยของสมาธิมีการดับนิโรธของสมาดับเลย แต่ถ้าสมาธิยังดำรงอยู่คือโยมเห็นการเกิดดับอยู่แต่โยมยังไม่เสียสมาธิตรงนี้มันคล้ายๆกับว่าคือเราดูเกิดดับของขันห้าเนี่ยโยมเข้าใจคือมันจะช้าแล้วนะฮะตอนนี้ใช่ไหมฮะเกิดดับมันเหมือนคนนิ่งๆอะคะ่ะแต่ว่าตอนดูของในสมาธิเนี่ยคะ่ะเพราะบางครั้งมีความรู้สึกตัวเองนะฮะว่าคือชอบไปนิ่งๆนะฮะเราฝึกมาจนเคยอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็ ไม่จําเป็นต้องดูไหมฮะที่พระอาจารย์พูดตอนที่โยมอุตถามาอะว่าดูเกิดดับในสมาธิเนี่ยค่ะไม่จําเป็นต้องดูได้ไหมได้ถ้าโยมมาดูมาดูตอนสมาธิดับพระสารีบุตรก็ใช้ดูตอนสมาธิมันดับตอนเข้าสมาธิก็ไม่ได้ไปดูเห็นกันห้าเกิดดับแต่พอสมาธิออกมาปั๊บเนี่ยพระสารีบุตรสรุปเลยว่า สิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปคือเห็นสมาธิทั้งก้อนเนี่ยมีการเกิดและมีการดับอย่างนี้แล้วก็เข้าสมาธิลึกเข้าไปใหม่แล้วก็ออกมาแล้วก็เห็นว่าสมาธิที่ลึกขึ้นก็มีการเกิดและมีการดับเห็นนะตัวสมาธิเองก็เป็นหนึ่งในขันท่าเหมือนกันจะพูดว่าเห็นขันท่าเกิดดับก็ได้เพียงแต่สมาธิเนี่ยมีขึ้นแล้วก็ล้มเลยมีขึ้นใหม่แล้วก็ล้มเลยอย่างนี้แต่ถ้าสมาธิยังอยู่ แล้วที่ผู้เจ้าบอกว่าเธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของการทั้งท่านในองค์ฌานนั้นๆคือสมาธิเรายังไม่เสียแต่เรายังเห็นการขยับไหวในสมาธิอยู่แต่สมาธิเรายังไม่เสียมันยังไม่ล้มอย่างเงี้ยเจ็ดระดับเจ็ดระดับเนี่ยคือสัญญาเป็นสัญญาสมาบัตินะ จะว่าแประดับก็ได้เพราะในระดับที่แปดเนี่ยมันมีบ้างไม่มีบ้างทูต่าก็จะพูดได้สองอย่างว่าใช่กับทั้งใช่แล้วก็ทั้งไม่ใช่ อ, อยู่ในหมวดจิตาลลจตาเหรอใช่ถ้าเรารู้ว่าจิตเราเนี่ยดำรงอยู่อย่างนี้รู้อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นจิตตานะ ไม่แตกต่างได้ผลเหมือนกันคือได้วิมุตตเหมือนกันมีเพิ่มเติมไหม เดี๋ยวหลังจันอ่าหลังฉัน